มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคพุทธานุตตภาวะปัญหาที่สองถามว่า พระพุทธเจ้าประเสริฐยิ่งไม่มีสิ่งจะเสมอจริงกระนันมือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณคข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้จำเรินด้วยปรีชาอันเลิศพุทโธสมเด็จพระพุทธเจ้านี้ประเสริฐยิ่งหาสิ่งเสมอไม่ได้จริงหรือประการใด พระนาคเสนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชาขอถวายพระพรบอภิษพระราชสมภารอันองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านี้พระเสริฐ จ, จริงหาสิ่งเสมอไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสซักว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าจริงรู้เมื่อพระผู้เป็นเจ้าไม่เห็นนี้จะรู้อย่างไรพระนาคเสนจริงมีเถระวาจาใตถามว่า มหาราชฯขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประดุดหนึ่งว่ามหาสมุทันใหญ่คือใครได้เห็นเล่าเขาจึงพากันรู้ว่ามหาสมุทอันใหญ่อันว่ามหาสมุทนี้สุดวิสัยลึกล้ำคำเพียรภาพจะยังจะข้ามได้เป็นอันยากลึกเหลือที่จะลึกใหญ่ก็สุดใหญ่ เป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้ำทั้งห้าคือคงคายามุนาอจิระวดีสระูมหีนาทีทั้งห้าถึงจะไหลหลังทางทนมาสักเท่าใดจะได้รู้เต็มขอบฟังหาไม่ได้ตกว่าคนทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าสมุดนี้เป็นมหาสมุรอันใหญ่เล่ามหาบอผิดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่า อามะชาเนยุงเจ้าค่ะพระผู้เป็นเจ้าคนทั้งหลายเขารู้อยู่ว่ามหาสมุทกว้างใหญ่พระนาคเษนจึงถามว่าเหตุอย่างไรเมื่อคนทั้งหลายไม่ได้เห็นแก่ตาทำไมเขาจึงรู้ว่ามหาสมุทใหญ่พระเจ้ากรุงมิลินเป็นกษัต ร, ริย์ว่าเหตุว่าผู้ใหญ่ผู้เท่าเล่ากันเสบสืบมาจึงรู้ว่ามหาสมุทนี้โตใหญ่ พระนาคเสนถวายพระพรว่าความข้อนี้ฉันใดก็ดีอัตมานี้ถึงไม่เห็นองค์พระชินสีกับตาก็ได้ทัศนาการเห็นพระสาวกอรหันอันเป็นสิทธต่อต่ อ, ตอมาช้านานชานามิพัควาอนุตตรูรูปก็รู้ว่าสมเด็จพระพัควัรตะบอพิษผู้ทำลายกรรมกงแห่งสังสารจักร เลิศนักหาผู้จะเสมอเหมือนไม่ได้ในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระไทยโสมนัสตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าววิสัชนาอุปมานี้สมควรอยู่แล้วพุทธานุ ต, ตระภาวะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้